มาขอบอทนากับเราต่อนะตอนนี้ก็พูดถึงในเรื่องของวิปัสสนาปัญญาด้วยเนาะหรือพูดในเรื่องของปัญญาทีนี้ธรรมชาติของปัญญาเนี่ยที่ท่านแสดงไว้ในลักษณที่จตุกะของของปัญญาเนี่ยก็จะเห็นสภาพของลักษณะของปัญญา กิจของปัญญาผลปรากฏของปัญญาเป็นต้นนะก็ได้ศึกษามาบ้างพอสมควรนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่การที่เราจะทำความเข้าใจที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนของความเข้าใจในเรื่องของปัญญา น, นั่นเองในชั้นของคำสอนเนี่ยนะชื่อของปัญญานะนะั้นน่ะท่านกล่าวไว้หลายลักษณะ ปัญญีสีปัญญาบวกอินรีอมโมหะที่กล่าวไว้แล้วในะอมโมหะที่เชื่อปัญญาเพราะเป็นสภาวะรอบรู้หรือเชื่ออินรีเพราะว่าเป็นใหญ่ดังกล่าวที่นี้พอพูดถึงในเรื่องของของปัญญาเนี่ย ล, ลักษณะของปัญญาที่เราศึกษาตามสภาวธรรมต่างๆแล้วก็มาศึกษาที่ใช้คาว่า ธรรมะสภาวะปฏิเวทะะารคณาคําว่าปฏิเวทะตัวนี้เก็เป็นชื่อของการแทงตลอดนะแทงตลอดปฏิเวทะเนี่ยการแทงตลอดเพราะสภาพของปัญญานะั้นะต้องอัดก็คือมีลักษณะาการแทงตลอดแทงตลอดในที่นั้นก็คือแทงตลอดลักษณะกับแทงตลอดสามัญลักษณะกับ นะันลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกกาเป็นลักษณะของของสภาพของปัญญานั่ น, น, นทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะาการแทงตลอดที่ใช้คำว่ายะถาสภาวะปฏิเวทะลักนาปัญญาก็คือว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งแทงรู้แจ้งสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะตามความเป็นจริง ตรงนั้นนะนะในความหมายที่ท่านกล่าวเข้าไว้เกี่ยวในเรื่องการที่บอกว่าสภาพของปัญญาเนี่ยหรือหรือนี่คือธรรมสภาวะปฏิเวทะลักนาปัญญาหรือยถาสภาวะปฏิเวทะลักนาปัญญาใช่ไหมศัพท์นี้ท่านใช้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออโมโหยถาสภาวะปฏิเวทะลักนา อันนี่ก็มาดูสามความหมายนี่นะอันแรกที่เรากล่าวไว้สภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงมาจากคำว่าอะโมโหโยถาสภาวะปฏิเวทลักขณาคือลักษณะที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงคือจรู้แจ้ง ร, รูปนามบ้างรู้แจ้งอารมณ์คือกายเวทนาหรือรูปอารมณ์เป็นต้นเหล่านี้ถ้าบอก อคคาริตะปฏิเวทละลัคนวาเป็นต้นที่เกี่ยวข้อเรื่องของกุศลด้วยนะตรงนี้ท่านใช้คำว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งตรงอารมณ์ปรมัตต์ดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้าหมายถึงว่าลักษณะตรงต่อปรมัตตธรรมด้วยแล้วก็อุปมาเหมือนกับ น, นักยิงนักแม่นธนูด้วยยิงตรงเป้าด้วย ทีนี้ถ้าคําว่าธรรมะสภาวะปฏิเวทะล Karnataka ญญล่ะสภาพธรรมที่รู้แจ้งความจริงของสภาวะธรรมถ้าออกธรรมะเนี่ยบ่งบอกถึง ส, สภาวะลักษณะกับสามั ญ, ญลักษณะนั่นก็เรียกธรรมะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอโมโหสยถาสภาวะปฏิเวทะล k a r n a เนี่ยอันนั้นแปลว่าสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริง ก็คือไม่หลงความไม่หลงก็คือปัญญานั่ยแหละเป็นส่วนคําว่าอคริตาปฏิเวทารคโนเป็นต้นเน่ยอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสภาพที่รู้แจ้งตรงอารมณ์ปรมัตเลยตรงอารมณ์ปรมรตัตธรรมเลยใช่ไหมเจาะทะลุทะลวงเข้าไปเลยยกตัวอย่างเช่นยมวัตเนี่ยเวลามารู้หนังสือเนี่ยเจาะเข้าไปถึงว่าสภาพของดิน ธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมแล้วก็สีกิน่นรสโอชาธาตุสภาพของปรัมัตธธรรมเหล่าเนี้เนื้อใ น, นของเขาก็คือดินน้ําไฟลมสีกิน่นรสโอชาธาตุหรือถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายก็รู้ว่าส่วนนี้เป็นเกิดจากกรรมส่วนนี้เกิดจากจิตส่วนนี้เกิดจากอุตตุส่วนนี้เกิดจากอาหารก็คือวินิโพครูปแปที่เกิดจากกรรมจิตหุืตดวาหารนั้นมีความมีปัจจัยที่ต่างกันอย่างไรเพื่เจาะไปถึงสภาวะเลย อันน้เขาเรียกว่ามาจากคำว่าอัคริตปฏิเวทะรคโนวากุศลกุสริษสาสะคิตะอุสุปฏิเวทโทวิยะถึงขนาดบอกว่าตรงต่อรมปรมัตต์ดุ ด, ดนักแม่นธนู ย, ยิงตรงเป้าเลยมีความเพียรในการยิงตรงเป้าจนได้เจาะทะลุทะลวงเข้าไปได้เลยถึงเนื้อในของบัญญัตินั่นเลยเนี่ยสามารถเจาะมาวิจัยได้และชนานาญมาก ความชํานาญนี้ช่ําชองมากชํนานาญขนาดไหนในชั้นคําสอนท่านจะบอกว่าการเจาะทะลุทะลวงตรงของสภาวะประมัตรธรรมด้วยและจงทังอย่างหรือหรือความหมายหนึ่งคําคว่าธรรมสภาวะปฏิเวธะรักณาปัญญาเนี่ยสภาพที่รู้สภาพทำตามความเป็นจริงก็คือสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะรู้ทั้งลักษณะรู้ทั้งกิจรู้ทั้งอาการปรากฏรู้ทั้งเหตุไกลเหตุใกล้ แล้วก็สามารถรู้อันนี้จังทุกขั้งหน้าตาของสภาวธรรมเหล่านั้นขนาดไหนเจาะทะลุทะวงขนาดไหนบกแม่นยำดุดคนชำนาญคำสอนที่พระปริมโมกทรงคำสอนเงี้ยเร็วอย่างนั้นเน่ยคล่องอย่างนั้นคล่องวุธอย่างนั้นเนี่ยพอมนสิยการปุ๊บเนี่ยเด่นในใจชัดอย่างนั้นเห็นภาพปุ๊บๆๆ๊บ บ, บเลยนั่นแหละแทงอย่างนั้นแหละ เรายังไม่เคยเลยใช่ไหม ย, ยังไม่เคยเด่นชัดอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันจะชัดถึงขนาดว่าเหมือนกับเออแม้ถ้าใครไม่เคยทวนอะไรได้จนขึ้นใจขึ้นใจจนสามารถจำได้เป็นแถวอ่ะเพราะท่องปุ๊บเนี่ยสภาพของตัวหนังสือไหลฟื้นเลยเป็นสายเลยวิถีจิตไหลเป็นแถวในความรู้สึกเลยสมมติอย่างนั้นเนี่ยคล่องมาก สภาวะที่ว่าสภาพของการแทงตลอดเนี่ยแทงอย่างนั้นเลยเร็วมากลักษณะเขาเร็วอย่งนั้นเลยเด่นอย่างนั้นนะชัดอย่างนั้นนะอันนี้เห็นไหมว่ามันมันไม่เคยปรากฏกระจายของของเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ที่ค่ายควรมาทํากันเลยหิวเผื่อมากบอบบางมากอะไรกระทบหน่อยงอกแงกงองแงวไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เลยพอเห็นภาพไหมพระเอกก็ โดยที่ท่านอุปมาต่างๆนี้ไว้ก็ข้พอเปรียบเทียบทีนี้กิจนะกิจของศาสต ร, ร์ที่ท่านใช้คําว่าโมหันทะโมหันทการะวิทังสนราสามีการกําจัดความมืดคือโมหะเป็นกิจใช่ไหมกิจเนี่ยกิจราษฎร์ที่จริงลักษณะท่านกล่าวไว้หลายในยะใช่ไหม เดี๋ยวดูลักษณะกิจกจาระสาเนี่ยในยะหนึ่งท่านใช้คําว่าธรรมานังสภาวะปฏิชะชาทกะโมหันทะการวิสุทธังสนรสาที่กล่าวไว้เนี่ยสภาพที่กําจัดความมืดกําจัดความมืดคือโมหะสภาพธรรมนั้นน่ยสภาวะธรรมที่ไปกําจัดความมืดคือกําจัดโมหะ ที่ปิดบังสภาวะลักษณะที่ปิดบังสามันยลักษณะแห่งปรมาต ธ, ธรรมถามว่าถ้าความมืดไม่ไปปิดบังซะแล้วเนี่ยจะเจาะทะลุดูลงได้เร็วไหมเ ร, เร็วมากล้วชัดไหมชัดมากเนี่ยเหตุผลว่าทำไมไม่ปรากฏกระจของสัตว์เพราะโมหะปิดอยู่และสัตว์ก็ไม่รู้ว่าโมหะปิดทั้งๆ ท, ที่ปิดมานานแล้วปิดมานานแล้วนั้นสภาพเหล่านี้ปิด ปิดกระแสใจของพวกเรามานานแล้วนี่นี่ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าทร ม, มานาังสภาวะปฏิจฉาทกะโมหันทการะวิสุททางสนรษสากิจราศาก็คือสภาพธรรมที่กำจัดความมืดเลยถ้าปัญญาจะไปกำจัดความมืดบางทีเราจะไข ค, ควรลักษณะก็ไม่ชัด กิจของสภาวธรรมก็ไม่ชัดผลปรากฏของสภาวธรรมก็ไม่ชัดเหตุใกล้เหตุไกลของสภาวธรรมก็ไม่เด่นชัดในใจเลยนั่นแปลว่าอะไรปิดโมหะปิดยิ่งจะมายกสิ่งต่างๆเหล่านั้นประชุมลงสู่อานิจจังทุกขังอนัตตาด้วยแล้วก็ปิดก็อีกแล้วอ่อนแอมากนานเห็นไม่เคยต่อเนื่องยาวไก ล, เลๆเลยว่างั้นลักษณะนี้คือปิด นี่คือปิดการปิดของของเขาเป็นอย่างนี้หรืออีกที่หนึ่งท่านใช้คำว่าวิวิสโยพาสนารโสปฏทโีโปโยะอีกในหนึ่งท่านกล่าวว่ากิจราษาสคือสภาพธรรมที่ส่องอารมณ์ให้สว่างเจิดจ้าดุดปฏททให้แสงสว่างใช่ไหมเหมือนปฏิทีให้แสงสว่าง เห็นไหมท่านพูดมุมว่ามิส่งปทีบแสงสว่างในห้องที่มืดสี่เหลี่ยมที่ห้องมืดก็ชัดใช่ไหมมันก็ชัดขึ้นถ้าพูดพูดในมุมว่าเอ๊ะถ้าไม่เห็นมุมนี้ไปดูความปิดอะไรกันแน่โมหะปิดอะไรปิดสภาวะลักษณะก็ปิดปัจจัตลักษณะโอ้นี่ก็ชัดเลยว่าอ๋ออย่างนี้มีกับเราจริงจรโมหะไม่ใช่ปัญญาถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็ก็เริ่มเห็น เห็นความชัดเจนของสภาวะของปัญญามากขึ้นหรือกิจระสาก็คืออีกมุมหนึ่งมาจากกาว่าวิสยภาวะ ส, สระส า, า ป, ปฏิปวิยาเนี่ยอันนี้เหมือนกันก็คือว่าสภาพธรรมที่ส่องความจริงของอารมณ์ปรมัติ์ให้สว่างเจิดจ้าดุดดวงประทีปให้แสงสว่างเมื่อกี้ใช้คำว่า สภาพธรรมที่สองอารมณ์ให้สว่างเจิดจ้าดุดดวงประทีปให้แสงสว่างใช่ไหมอะยังไม่ชัดท่านก็เลยมากำกับอีกในในที่หนึ่งอีกที่หนึ่งบอกว่าสภาพธรรมที่สองอารมณ์ของส่องความจริงของอารมณ์ปรมัติให้สว่างเจิดจ้าดุดดวงประทีปให้แสงสว่างคาว่าส่องอารมณ์บอกเอ๊ส่องอารมณ์แบบไหนส่องอารมณ์ของปรมาธรรมไงคือรูปนามขันห้าน่นแหละ ให้สว่างเจิดจ้าในกระแสใจของสัตว์นั้นนี่ปัญญาก็จะทํากิจในลักษณะอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็มาสรุปให้ดูเห็นเห็นกิจของเขาในแง่สามที่มาถ้าสามบาลีที่มีจุดแตกต่างกันเล็ ก, ลกๆน้อยๆนี่ถ้าไปเอาหลายๆที่มาเดี๋ยวก็ยิ่งไปใหญ่แต่นี้ต้องการจะเลี้ยงให้ดูว่าโอ้นี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอจะมองเห็นภาพถ้าบอกว่าสภาพธรรมที่สองความจริงของอารมณ์ อย่างเดียวก็กว้างเลยถ้าอารมณ์ของป ร, ม, ร, รมัตธรรมอันนี้ชัดลงไปเลยใช่ไหมของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณหรือจะของอะไรถ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอัอธยาศัยใช่ไหมที่อัธยาศัยที่จะค่าควรคือจะต้องค่าควรรูปมากกว่านามใช่ไหมก็เป็นสองอารมณ์ขันห้าให้ปรากฏชัด ขอภัยนามมากกว่ารูปใช่ไหมถ้ า, านามมีสี่เนี่ขันห้าเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันรูปขันมีหนึ่งอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะหรือถ้าไปส่องรูปธรรมมากกว่านามธรรมก็อายตนะสิบสองเพราะเป็นรูปเสียสิบกว่ า, างเนี่ยนะหรือถ้าจะส่องสภาวะธรรม ท, ที่ทั้งรูปและนามนั้นมีความสมดุลกันก็ธาตุสิบแปดเงีนี่ย นั่นแหละไปสองอารมณ์ของป ร, รมัตธรรมคือขันห้าอายตนา12บท่าสิบแถ้าเราไปดูในคำภีวิสุตติมรตท่านจะกล่าวตามอัธยาศัยของสัตว์สัตว์บางพวกบางจําพวกเนี่ยจะต้องตัดสู้เพราะการขันห้าสัตว์บางจําพวกจะต้องวิจัยรูปมากกว่า น, นามเพราะองค์สอนอายตนา12สัตว์บางจําพวกนั้นจะต้องทั้งรูปและทั้งนามมีความสมดุลกันเพราะองค์สอนท่าสิบแ เข้าใจใช่ไหมอันนั้นแหละอารมณ์คือขันธาตุอายตนะเหล่านั้นแหละก็จะมาปรากฏชัดคือปรมัตาธรรมเหล่านั้นน่ยก็จะปรมดสภาพธรรมที่ส่องความจริงของอารมณ์ปรมัตะคือขันอายตนะธาตุเหล่านั้นให้สว่างเจิดจ้าดุจดวงวัตถีให้แสงสว่างกิตของปัญญาก็ไปทํากิจในลักษณะวิจัยอย่างนั้นพอเห็นภาพเนาะนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือกิจในสามที่ ต่อมาก็คือผลปรากฏผลปรากฏเนี่ยหร อ, อาการปรากฏนในอาการปรากฏต่างๆหเหล่านี้ก็คือว่าอาสัมโมหะปัจจุปทานโนอารัญยกคคตะท่านแยกเป็นสองอย่างเนาะเป็นอุปาทานการะปจุปทานะก็คือสภาพธรรมที่ไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ผลปรากฏก็คือไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเมื่อไปกำหนดรู ป, ปรขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกำหนดหรือรูปอารมณ์เป็นต้นไม่หลงอันนั้นเขาเรียกว่าอุปทานาการละนี่ปรากฏในยานปัญญาของสัมมาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายหรือว่าของโยคีผู้ไข้ควรทั้งหลายผลผลปัจจุปฐานานาก็คือสภาพธรรมที่ทาให้ผลคือปราศจากความหลงที่ตรงกันข้ามกับโมหะ ว่าคือความหลงเหมือนมักูเทศผู้ชำนาญทางป่านี่นะที่มาที่หนึ่งกล่าวอย่างนี้ส่วนอีกที่หนึ่งผลเนี่ยนะอาการปรากฏเนี่ยปัจจุปฐานนาเนี่ยท่านแสดงไว้อันเดียวคือสภาพธรรมที่ไม่หลงต่ออารมณ์ปรมัตถธรรมนี่ชัดเลยใช้ใช้คำนี้ไปเลยมาจากคำว่าอาัมโมหะปัจจุปฐานนาทัส อสัมโมหปะปัจจุปัฐานานะก็คือว่าไม่หลงอ่ะไม่หลงต่ออารมณ์อารมณ์ก็คือไม่หลงปรมัตถธรรมที่จริงก็คือว่าไม่ลุ่มหลงทั้งปรมัตและบัญญัติด้วยนั่นเองนะที่จริงก็ต้องใช้ตรงนั้นด้วยเพราะว่าโลกียาปฏิเวทญาณเนี่ยต้องไม่หลงทั้งปรมัตและบัญญตัตใช่ไหมแต่ละความลุ่มหลงในปรมัตและบัญญัติโดยตัดตทางข้าหานในโลกียะปฏิเวท ปัญญาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากในโลกุตระละความล่มหลงในปรมัตและบัญญัติโดยสมุเชตพหานเนี่ยถ้าปัญญาจะเป็นอย่างนั้นโลกีญาปัญญาหรือโลกุตระปัญญาเนี่ยเข้ญญาใจใช่ไมมันจะถอนได้อย่างนี้ผลปรากฏก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ภาพที่ไม่หลงอารมณ์คือปรมัตธรรมทีนี้อาการปรากฏอีกที่หนึ่งผลปรากฏอุปทานะสองส่วน อุปัฏฐานาการรัปัจจุปัฏานะคือสภาพที่ไม่หลงต่ออารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งอันนี้ตรงกันอันนั้นเป็นที่ปรากฏในญาณปัญญาของผู้ไขควรทั้งหลายถ้าผลอุปัฏฐานะก็คือสภาพที่ทําให้ผลคือปราศจากความหลงเกิดขึ้นอันนี้ตรงกันข้ามกับโมหะคือความหลงก็เหมือนมกุเทศชํานาญในทางป่านี่กล่าวไว้ในพระพิธรรมอันนั้นคือผลปรากฏประการต่อมาคือเหตุใกล้ เหตุใกล้เหตุใกล้ก็คือสมาฮิโตนี้หลายๆที่แทบจะตรงกันเลยเนี่ยแทบจะตรงกันประทัฐานเนี่ยสมาฮิโตยะถาภูตังชาาติปสติติวัจนโตปะนะสมาธิตัศสาประทัดฐานาวิสุทธิมารก็กล่าวไว้อย่างนี้แหละในชั้นดีกาท่านก็ไปขยายไว้บอกว่า ประทัดฐานคือสมาธิตรัสไว้ผู้ประกอบด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นย่ำรู้ชัดตามความเป็นจริงเนี่ยประทัดฐานในที่นี้แสดงโดยพิเศษสำหรับผู้เจริญวิปัสสนาเท่านั้นทีนี้อีกที่หนึ่งก็แสดงประทัดฐานประทัดฐานของปัญญาเนี่ยเออบางแห่งท่านกล่าวโดยมากสมาธิเป็นเหตุใกล้ก็จริงอีกบางอย่างหนึ่งก็ไป จะไปกล่าวว่าเป็นประทัดฐานหรือไม่แต่ก็ในธรรมนองเหมือนจะกล่าวว่าใช่แต่ว่าถ้าเราดูในชั้นสมาธิตัศสาประทัดฐานาในสมาธิเป็นเหตุใกล้าาของปัญญาก็มาจากคำว่าสมาตยถาปูตังชาณติปสติเนี่ยในคำพีวิสุติมัชท่านก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์ว่ า, าปัญญาเพราะอัตรูุทั่วนอภิธรรมมัทถวิภาวณี ท่านใช้คําว่าปากาเรณะชานาติอานิจจาธิวเสนะอวัพุ ช, ชตีติปัญญาเพราะชื่อว่าปัญญาเพราะารู้โดยกระทําทั่วคือตัดสรูนะดยสามารถแห่งเข้าไปแทงตลอดอานิจจาลักษณะทุกคลักษณะแล้วก็นัตตลักษณะเป็นต้นปัญญาชื่อว่าโดยลักษณะมีอย่างเดียวนะลักษณะของปัญญาโดยลักษณะมีอย่างเดียวอย่างเดียวคืออะไร ลักษณะแทงตลอดสภาวะแห่งธรรมทั้งหลายนั้นปัญญานั้นจะต้องมีลักษณะอย่างเดียวเท่านั้นคือแทงตลอดแทงตลอดสภาวะคือแทงตลอด เ, ออเกี่ยวในเรื่องของสภาวะลักษณะแล้วก็สามั ญ, ญลักษณะแห่งธรรมทั้งหลายทั้งหมดเลยขันอาญตนะธาตุสจาอินรีย์ปฏิจจะแทงตลอดอย่างนั้นถ้าจําแนกเป็นสองก็เป็นโลกิ ย, ปยาปัญญาแล้วก็โลกุต ร, ประปัญญา ้ปัญญาก็คือปะพอเป็นบทหน้าไปยญาธาตุในความรู้กวิปัจจัยก็ซ้อนยะแล้วก็ลบกวิปัจจัยเสียก็เป็นปัญญาปัญญาอยู่ในโสพนะเจตสิกเนะตรงนั้นท่านก็มาวิเคราะห์ให้ดูปัญญาเกิดอยู่ในกุศลจิตไหมสังเกตยังไงถ้าเกิดบอกว่าอวัชอนวัชชะอิทธาวิปากาลขนงังอย่างไหมปัญญาจะต้องเกิดอยู่กับจิตที่ไม่มีโทษ แล้วก็ต้องมีวิบากที่น่าปาารถนาเป็นลักษณะใช่ไม่ใช่แล้วก็อกุศลวิธ ท, ทางสนาลสังด้วยปัญญาจะต้องเกิดจากกุศลและสภาพของกุศลก็ต้องจิตของกุศลจิตก็ต้องกําจัดกุศลอกุศลจิตต้องกำจัดอกุศลจิตวัวฐานะปัจุปทานางังก็คือว่าสภาพของกุศลจิตก็มีความผ่องแผ้วเป็นผลปรากฏโยนิโสมนัสิการะปทัฐานางังก็มีโยนิโสมนัสิกาละเป็นเหตุใกล้ กุศลจิตเป็นอย่างนี้เังน้นสภาพของปัญญาต้องอยู่ในอย่างนี้ต้องจะมองว่าอย่างเหมือนที่ท่านแสดงวจนะถาที่ใช้คําว่ากุชิเตปาบัธรรมเอกุสลายันติกัมเปนติหิงเสนติอปะฆะเมนติติกุสลานิขาเขาแปลว่าจิตที่ชื่อว่ากุศลเพราะว่ายังบาปประธรรมที่น่าเกลียดหรือยังบาปประธรรมอันน่าเกลียดเนี่ยนะให้สะเทือนให้วันไหว คำว่าให้สเทือนให้หวั่นไหวก็คือเบียดเบียนบาปธรรมอันน่าเกลียดเบียดเบียนบาปธรรมอันน่าเกลียดหรือยังบาปธรรมอันน่าเกลียดให้ปราศจากไปทยชนาเขาแก้บอกว่ายังบาปธรรมที่น่าเกลียดให้สเทือนสถทานให้หวั่นไหวนั่นแหละกำจัดด้วยยังบาปธรรมต่างๆเนี่ยให้สะเทือนให้สะทานให้หวั่นไหวด้วยไม่ใช่กุศลหวั่นไหวซะเองแสดงว่ากุศลเนี่ยมีความตั้งมั่นมาก พราะสามารถยังบาปธรรมที่น่าเกลียดนั้นให้สะเทือนสะานให้วันไหวใช่ไหมอันนั้นเป็นกามเาวจรกุศลก็เบียดเบียนคือไม่ว่าจะเป็นกามเมาวจรกุศลก็เบียดเบียนนะมหาคตะกุศลก็ยังบาปประทมให้ปราศจากใจแม้โรกุตระกุศลก็เหมือนกันสภาวะของกุศลก็จะต้องยังบาปประทมทั้งหลายอันน่าเกลียดทั้งหลายให้สะเทือนให้สะเทือนก็คือให้วันไหว จะเป็นกาเมาวาจรก็ขอทำกิจเบียดเบียนมากกตะกุศลก็ยังทํามันน่าเกลียดให้ปราศจากไปเป็นต้นเหรเนี่ยนะโลกุตรกุศลก็เป็นต้นก็เป็นลักษณะเดียวกันกุศลที่เป็นธรรมเนี่ยไม่มีโทษและไม่มีกิเลสแม้ผลของกุศลก็น่าปราถนาเวะลาเกิดขึ้นก็กาจัดอกุศลไม่หลงในอกุศลใช่ไหมเพราะว่ามีอะไรก็ทําใจโดยแยบคลายก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบุญใชื่ออกุศนนั่นแหละก็วัจนธาตาที่ใช้คําว่า สันตานางปุนาติสโสเท ต, ติติปุญญ์ยังแปลว่าชื่อว่าบุญเพราะอธิวาชําระสันดานให้หมดจดไอคําว่าปุณณะธาตุน่ยในความชําระชําระอะไรชําระบาปประธรรมที่น่ากเกลียดสันดานคืออะไรคือกระแสของนามขันที่สืบต่อตอนเนี้นามขันที่สืบต่อมันไม่หมดจด เพราะไม่ได้ถูกชำระด้วยกุศลหรือไม่มีปัญญาเข้าไปอยู่ในกระแสของกุศลนั้นทีนี้วิปัสสนาปัญญาเนี่ยเป็นทั้งญาณสัมมยุทธ์ก็ได้เป็นทั้งญาณวิปยุทธ์ก็ได้แต่มีข้อแม้ยาณวิปยุทธ์ที่เป็นวิปัสสนาปัญญาต้องเกิดความช่ำชองในมหากุศลญาณสัมมยุทธ์จนช่ำชองแล้วถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นญาณวิปยุทธ์บ้างด้วยความช่ําชองก็ยังทําการกําจัดบาปได้อยู่นั่นแหละ มันอาจจะมีแทกมาเป็นยาณวิทประยุทธ์แต่ด้วยความช่ำชองของญาณสัมปยุท์นั่นแหละในชั้นดีกาท่านบอกแม้เป็นญานวิยปยุทธ์ก็ยังเรียกวิปัสสนาปัญญาอยู่นั่นเองเพราะความคุ้นเคยวิจัยจนชํานาญเบ็ดเสร็จแล้วนี่นะื้อกำจัดนะแม้ยานวิทย์ประยุทธ์ขึ้นมาเกิดขึ้นมาตามหลังก็ยังเชื่อว่ากําจัดบาปได้อยู่นั่นแหละสกิทของปัญญา น, นั้นนี่เป็นอย่างไงเพราะความช่ำชองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะยาณวิประยุทธ์ให้เกิดตอนนี้ยังไม่เรียกวิปัสสนาปาัญญา ปุน า, าตาในความชมําระลงในยะปัจจัยลบนะเอายะเป็นเอาะยอยักษ์นะสะอานะเป็นยักษ์ยอหญิงสะอาดแล้วก็ซ้อนะยะยอหญิงสะอาดเป็นปุญญังเลยนะเป็นปุญญังรูปสําเร็จเป็นบุญเป็นบุญตรงนี้นะคาว่าบุญปุญญะเนี่ยมาจากคาว่าเป็นชื่อของกุศลเองคําเดียวกันต่างโดยพยัญชนะสันตานางปุนาติโสเ ท, ทติติปุญญังแปลว่าเชื่อบุญเพราะอธิว่าชําระสันดาน บางแห่งใช้สั์หนักไปอีกว่าชําระขันสันดาหให้หมดจดขันทสัญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่มันกําลังเกิดสืบต่อกันมันไม่หมดจดใช่ไหมจิตนั้นน่ะเศร้ า, ห ม, า, ร า, า, ราหมองเพราะจิตเศร้าจิตสัตว์เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์หมดจดเพราะจิตหมดจดใช่ไหมในตรงนี้ก็นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้อันนั้นคือประทัดฐานที่ตัดตรัสไว้โดยสมาธิโดยพิเศษนะ อันนี้เป็นพิเศษสําหรับผู้เจริญวิปัสนาปัญญาเท่านั้นทีนี้ท่านก็นมาขยายไว้ในมหาดีกาว่าความสว่างในปัญญาเกิดเพราะการกําหนดวิปัสนาสังขารธรรมถามว่าปัญญาจะสว่างได้ก็เพราะการกําหนดการเจริญวิปัสนาที่ไปพิจารณาสังขารธรรมรูปนามเป็นต้นเป็นอารมณ์และต้องสามารถกําจัดความมืดในใจออกไปได้นั้นปัญญาที่ไม่หลงในสภาวะลักษณะและที่ไม่หลงใน ปัจจตารักษณะสามั ญ, ญลักษณะของปรมัตถธรรมเนี่ยก็ปรากฏต่อยานผู้ปฏิบัติที่กำลังกำหนดวิปัสนาอยู่อาการปรากฏเกิดขึ้นแห่งปัญญาอย่างนั้นชื่อว่าอุปทานาการาปจุปทานะใช่ั้ยนี่เป็นอย่างนี้ส่วนผลปรากฏผลปรากฏนะอีกในหนึ่งเนาะก็คือว่า ปัญญาที่เป็นเหตุรู้แจ้งทะรุทรวงสภาวะลักษณะรู้แจ้งทะรุ้ทะวงสามัญญลักษณะแห่งปรมัตธรรมส่งผลขึ้นเลยผลที่ส่งผลขึ้นก็คือความไม่หลงเกิดขึ้นความไม่มืดบอดเกิดขึ้นความไม่มืดบอดของจิตเกิดขึ้นเลยนั้นความไม่หลงความไม่มืดบอดของจิตเน่ยเกิดขึ้นนะปัญญานั้นชื่อว่าผลปัจจุปถานนะผลปรากฏ นี่ในอัตสาลีนีท่านแสดงลักษณะเป็นต้นของปัญญาไว้อีกอย่างบอกว่ายถาสภาวะปฏิเวทักษณาที่กล่าวไปแล้วนี่แหละสภาพที่รู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะตามความเป็นจริงแห่งปรมัตตธรรมขอมีกอกับขอนี่นะีลักษณะคือสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ของปรมัตตธรรมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้าลักษณะเอาอย่างนั้นเลยถ้ากิจระศาสของปัญญาก็ สภาพธรรมที่ส่องความจริงของอารมณ์ของปรมัต ธ, ธรรมให้สว่างเจิดจ้าดุดดวงประทีปจุดในที่มืดเนี่ยนะแล้วก็แยกอุปฐานะการลกับผลปัจจุปถานะถ้าอุปฐานะการลปัจจุปถานะก็คืออาการที่ปรากฏในปัญญาญาณของผู้ไข้ควรหรือโยคีทั้งหลายสภาพที่ไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใช่ไหมที่ได้กล่าวไว้แล้วไงที่ปรากฏก็คือว่า ในขณะที่กําหนดวิปัสนาสังขารธรรมรูปนามเป็นต้นเป็นอารมณ์อยู่นั้นความมืดในใจน่นเองใช่ไหมความมืดในใจนั่นแหละก็กำจัดความมืดใน ใ, นใจออกไปนั้นปัญญาที่ไม่หลงในสภาวลักษณะนั่นแหละที่ไม่หลงในสามัญลักษณะของปรมัตตธรรมมาปรากฏต่อยานมาปรากฏต่อปัญญาของผู้ปฏิบัติที่กําลังกําหนดวิปัสนาสังขารธรรมรูปนามอยู่นัวิปัสสนาญาณนั้ น, าา น, นอาการปรากฏ แห่งปัญญาอันนั้นเลยเรียกว่าอุปัฏฐานกาละปัจจุปถานนะใช่ไหมอาการนั้นปรากฏอาการของสภาพธรรมนั้นปรากฏต่อในใจของเราท่านทั้งหลายที่ไปไข้กวนไปพิจารณาเนี่ยอย่างเนี้นะถ้าผลปัจจุปถานนัคือสภาพธรรมที่ทําให้ผลก็คือปราศจากความหลงเกิดขึ้นปราศจากความมืดบอดเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับโมหะคือความหลงเหมือนมักูเทศผู้ชํานาญทางป่าไอ้ชัดเลยแต่เนี่ยเนะีนี่เป็นอย่างนี้ ยานก็ชื่อปัญญาเพราะสามารถรู้แจ้งอริยสัจแต่กล่าวไว้ตอนเนี้ยคือรู้แจ้งทุกขสัจจะก็คือรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งจตุสัจจะสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นแจ้งสัจจะสี่ไม่ใช่ไปเห็นด้วยโมหะไม่ได้ไปเห็นด้วยโลภะนะเห็นสัจจะสี่ถึงบอกว่าเราเรียนสัจจะสี่กันด้วยโลภะโทสะโมหะมานานแล้วเรียนก็จําได้ก็เข้าใจได้อธิบายได้ แต่ปัญญาที่จะเห็นแจ้งสัจจะสีที่เรียกจตุสัจจะสมาธิฐเนี่ยมันไม่เกิดเที่ตรงเนี้ยใช่ไหมสมาธิิญาณะที่ไปแทงตลอดทุกขสัจจะแทงตลอดทุกขสัจจะในส่วนไหนส่วนทุกขสัจจะที่อยู่เป็นผลกับทุกขสัจจะที่เป็นเหตุแยกไม่ออกอีกทุกขสัจจะที่เป็นผล ก็คืออุปาทานกันห้าในปัจจุบันนี่ใช่ไหมที่กําลังเป็นไปอยู่นี่แหละถ้าทุกขสัจจะที่เป็นเหตุก็กรรมไงโมหะไงอุปาทานทั้งหลายที่เว้นการมุปาทานเว้นตัณหาไปอกุศลธรรมอลาโมทั้งหลาย ท, ที่ในอดีตนั่นแหละที่อยู่ในฐา น, นะเป็นเหตุ ท, ที่ทําให้รูปนามกันห้าในปัจจุบันกําลังเป็นไปอยู่นั่นแหละคือทุกขสัจจะที่เป็นเหตุใช่ไหมแต่ไม่เป็นสมุทัยสัจจะ เป็นแค่เหตุของทุกข์ใช่ถ้าตามชั้นของถ้าในชั้นของคำมภี์ที่เขาเรียนกันในทางด้านของยมกเนี่ยเขาเรียกว่าส ม, มุทรไทยสามันใช่ไมไม่ใช่ส ม, มุทรยะสัจจะ เ, นะเพราะอัไรเพราะอกุณธรรมทั้งหลายีเป็นเหตุหมดไหม เจตนากรรมทั้งหลายที่ทํามาแล้วบาปทั้งหลายที่ทําแล้วในอดีตที่เป็นปัจจัยให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นในปัจจุบนันนพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแพเป็นไปนี่อันนั้นอยู่ในฐานะเป็นเหตุแต่ไม่ใช่เป็นสมุทยัยยัสสะจะเป็นสมุทยัยแต่ไม่ใช่เป็นสมุทัยสัจะนั่นแหละต้องไปรู้ด้วยรู้ทุกสัจจะในส่วนที่เป็นผ ล, ลก็รู้ทุกสัจจะในส่วนที่เป็นเหตุแล้วก็รู้สมุทัยสัจะตามความเป็นจริงเนี่ยนะ รู้ยังไงก็รู้สภาวะลักษณะทั้งสองส่วนแล้วก็รู้สามัญลักษณะทั้งสองส่วนในส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลนั่นแหละแค่นี้ก็ต้องเอาไปฟังอีกนานอยู่ต้องไปนั่งใครควรแล้วใครควรอี ก, กใช่ไหมใช่นั่นแหละในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าในส่วนของการที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงตรงเนี้ย ฉะนั้นเขอถึงบอกว่ายานที่ชื่อว่าเจตุสัจจาสัมมาทิฏฐิยาณะเนี่ยปัญญาที่เห็นแจ้งอริยสัจเพรา ะ, ะการเห็นแจ้งอริยสัจเนี่ยก็เลยรู้ในสองส่วนดังกล่าวเวลาท่านขยายนี่นะพอรู้ในสองส่วนก็คือรู้สภาวะลักษณะก็รู้สามั ญ, ญลักษณะพอไปเข้าไปรู้สภาวะลักษณะก็คือลักษณะที่เป็นกิจลักษณะลักษณะักประจุประฐานและก็ประธาฐานเนี่ย ถ้าไปมองวิจัยในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าก็จะเห็นในส่วนของปัญญาก็ดีหรือกรณีอย่างการที่ไปกำหนดนะนะในกรณีอย่งการที่ไปกำหนดหรือไปไข้ควรหรือไปพิจารณาต่างๆเราเนี้ยก็จะเห็นว่าเออสภาวะที่ไปสัมมาทิฐิหรือปัญญาที่ไปรู้ถูกต้องเนี่ยนะที่ไปกำหนดทั้ง สามัญลักษณะแล้วก็กำหนดปัจจตลักษณะของสภาวธรรมต่างๆเหล่านั้นดังกล่าวเวลาตรงนี้บางครั้งท่านจะบางแห่งท่านจะไปกำหนดออสภาวลักษณะตามความเป็นจริงบางแห่งก็บอกว่าสามัญลักษณะตามความเป็นจริงเนีต่ตรงนี้เราก็ต้องเอามาต่อกันด้วยอย่างยกตัวอย่างท่านในชั้นของมหาจกระาก่อนๆท่านนิบายปัญญาที่สามารถรู้แจ้งธรรมทั้งหลายว่า อันนี้จากความไม่เที่ยงทุกขะสภาพที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเกิดและความดับอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาปัญญาณ น, นั่นเองชื่อว่าอินทรีย์เพราะถือว่าเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่เนื่องจากอะไรเชื่อว่าอินรีย์ท่านบอกครอบงามกําจัดอวิชชากําจัดอวิชชาทําไมต้องกําจัดเพราะอาวิชชาปกปิดอะไรบกปด ป, ปกปิดไม่ให้รู้สัจจะสนั่นแหละคือไม่รู้ทุกข ในกระแสใจของสัตว์น่ยไม่รู้ทุกษัตริย์ไม่รู้ทุกขสมุทัทยสัจจะไม่รู้ในทุกขานิโรธสัจจะไม่รู้มรรคสัตฉะนั้นปัญญาอีกอย่างชื่อว่าอินทริยะก็สา ม, มารถทำให้ทําที่เกิดพร้อมกับตนรู้ว่าตนนะั้นคือผู้เป็นใหญ่พอรู้ว่าตนเองเป็นใหญ่ได้วยไหมรู้ด้วยใช่ไหมเอาปัญญาที่ในมรรคเนะ่ยใช่ไหมเจสิกที่ประกอบอีกสามสิบหกบวกจิตอีกหนึ่งเป็นสามสิกใช่ไหม ถ้าเว้นปัญญามาเป็นใหญ่แล้วมาเป็นอินทรีย์เสนเนี่ยนอกนั้นั้นทำเหล่านั้นก็พอใอยได้เป็นใหญ่กับเขาไปด้วยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเชี่กวไว้อินทรีย์ตรงนี้ก็คือว่าเวลากลางคืนภายในห้องภายในฝาที่กั้นไว้สี่ด้านก็มืดมิดแต่พอจุดดวงประทีปความมืดในห้องที่มืดมิดก็ทำให้สว่างทำให้ดวงตา ปกติบอดมืดมิดเนะ่ยหายไปทันทีเราอยู่ในห้องมืดเนี่ยยมวารวัตเข้าไปในห้องมืดมืดเดซีเลี่ยมเนี่ยเหมือนคนตาบอดไห ม, มก็คือตาบอดพราะจุดประทีบตูมขึ้นมาเนี่ยไอความประดุดดังตามืดตาบอดเนี่ยมันก็หายไปทันทีปัญญากระดุดปฏิบต์นั่นแหละมีลักษณะส่องสว่างให้แสงสว่างให้รู้อารมณ์ของปรมัตและให้รู้สัจจสีอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจน จึงไม่มีแสงสว่างใดๆเหมือนกับแสงสว่างของปัญญานีฉะนั้นบุคคลที่ประกอบด้วยวิปัสนาปัญญานั่งเจริญวิปัสนาในบัลลังก์เดียวแสงสว่างส่องตลอดถึงหมื่นโลกระทัดเลยบุตรหนึ่งส่องประทีปในบ้านที่มืดสนิทเมื่อส่องแสงสว่างก็กำจัดหรือทําลายความมืดสนิทไปความสว่างเกิดขึ้นทาให้เห็นรูป ต่างๆสิ่งต่างๆได้ชัดเจนชั้นใดปัญญาก็ชั้นนั้นเหมือนกันท่นะตรงนี้ก็เลยมาสรุปบอกว่าหนึ่งะยมวรารัตน์นะเวลาปัญญาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาทําหน้าที่กําจัดอะไรกาจัดความมืดสนิทกําจัดความมืดสนิทก็อะไรคือความมืดสนิทอวิชาเกณฑอวิชาหรือโมอหะ ฉะนั้นเวลาปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาปุ๊บกําจัดเลยกําจัดความมืดคือวิชานี้ประการแรกสองทำให้แสงสว่างคือวิ ช, ชาหมายถึงปัญญาเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นสทําให้แสงสว่างคือญาณะก็ปรากฏเกิดขึ้นสทําอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักปรากฏขึ้นมามหาวพิตบอกว่าปัญญาก็เช่นเนี้ย มีลักษณะส่องอารมณ์คืออริยสัจสีคือทุกสมูทัยนีโรสมักให้สว่างให้ปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติผู้ไข่ควรเนี่ยจะส่องสว่างจ้าอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เรามองในภายในภายนอกมืดเนี่ยอริยสัจไม่ปรากฏอันนี้แปลว่าแปลว่าอะไรตรงนี้ก็ถ้าต้องการจะเจริญปัญญาก็ โอ้โหว่ายาวเลยเดีนี้ใช่ไหมว่ายาวเลยโอ้ถ้าไปไล่ทุกตัวแล้วก็มาเพื่อต่อไปเนี่ยเวลาเรียนลัคนาที่จิตวิาณทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาหมดเลยเป็นเรื่องการเจริญปัญญาหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ประเด็นว่ามันจะไหวไหมเรา <laughs> ใช่ไหมเป็นเรื่ององการเจริญปัญญาหมดกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยเนี่ย ความเลือกเป็นการวิจัยทําความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดภาวะที่รู้แจ่มแจ้งความคิดความคล่ความปัญญาประดุดดังแผ่นดินปัญญาทําลายกิเลสปัญญาเครื่องนําทางปัญญาเห็นแจ้งรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญาเป็นอินทรีย์ปัญญาเป็นพระราปัญญาเป็นศาสตราปัญญาเป็นปราสถนาดวงตาคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนบะทีปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยทำ สัมมาทิฏฐิในสมัยใดอันนั้นชื่อว่าวิปัสสนาปัญญาในสมัยนั้นไปเลยดูนี่เรื่องยาวเลยใช่ไหมทีนี้ก็มาไข้ควรก็มาไข้ควรนะว่าสภาพของปัญญาเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าสภาพของปัญญาที่ท่านกล่าวเข้าไว้เนี่ยคืออย่างนี้ท่านกล่าวถึงลักษณะของปัญญาก็าไว้บอกว่าปัญญาเนี่ยนะ เพราะแต่ว่าประกาศให้รู้คือกระทาเนื้อความนั้นนั้นให้แจ่มแจ้งปัญญาพ ร, รู้ธรรมทั้งหลายโดยประการมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นคำแสดงภาวะของปัญญาอาการที่รู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดเนี่ยคว่าความวิจัยค้นหาวิจัยเขาวิจัยอะไรค้นหาสามัญลักษณะค้นหาปัจจัตลักษณะ แตอนนี้กิจของปัญญาเกิดไหมาถามว่าลองในกระแสใจของเราเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราค้นหาลักษณะของสภาวธรรมเหล่านี้ไหมล่ะถ้าค้นหาลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็ต่อมาค้นวิจัยสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอันนั้นแหละความวิจัยโยเนี่ยวิจัยยามันถึงเกิดขึ้นก็สังเกตได้ว่าวันหนึ่ ง, ว, นนงวันหนึ่งมันวิจัยสภาวธรรมเหล่านี้ไหมเนี่ยใช่ไหม หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือความเลือกสรรปวิจัยโยก็ได้ความวิจัยธรรมะค้นหาค้นหาอริยสัจในใจเราเคยเคยตำหนิเคยคิดไหมว่าเราจะค้นหาทุกสัจค้นหาสมุทยัยสัจจาค้นหานิโรธาสัจจาค้นหามารรคสัจ จะค้นหาให้เจอเนี่ยนี่อยู่ในตาหูจมูกก็คือค้นหาว่านีตาเนี่ยเป็นทุกขสัจยังไงก็มาวิจัยใช่ไหมวิจัยทั้งปัจจตารลักษณะวิจัยทั้งสามั ญ, ญลักษณะของสภาวะธรรมเหล่านี้นี่แหละว่าทุกขสัจจ์แล้วเหตุของทุกขสัจจ์ก็ไปวิจัยใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกกาหนดหมายด้วยโดยการกําหนดอันนี้จะลักษณะเป็นต้นครับ ความกําหนดหมายเนะี่ยความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้นี่ความเป็นบุคคลผู้ฉลาดภาระที่ฉลาดภาวะที่ฉลาดความเป็นธรรมที่ละเอียดภาวะที่รู้ละเอียดเนปุญญังเนะี่ยละเอียดด้วยความเป็นไปแห่งธรรมให้แจ้งทําความทําความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นน่ะนะชื่อว่าความรู้แจ่มแจ้ง แล้วก็ความค้นคิดจินตาได้นะสามารถค้นคิดความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นได้ความค้นคิดพราะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดย่อมทําบุคคลนั้นให้คิดถึงอนิจจลักษณะให้คิดอนิจจลักษณะให้คิดทุกคลักษณะให้คิดอนัตตลักษณะใช่ไหมลักษณะเนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นกรณีจะเป็นไปลักษณะเนี้ยแปลว่าค้นคิดค้นคิดไอ่ที่จริงถ้ากล่าวถึงอนิจจลักษณะทุกคลักษณะอนัตตลักษณะแปลว่าก็ต้องไปค้นคิดนั่นแหละ สภาวะลักษณะเป็นต้นด้วยของสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นความคน้คนคิดหรื อ, รอความไข้ครวนก็ได้ก็ในยะเดียวกันก็ไปไข่ครวนนี่แหละสองลักษณะนั่นแหละทั้งปัจจาลักษณะและสามัญญลักษณะอาจว่าละเอียดและกว้างขวางก็ได้คว่าคำว่าภูรีภูรีเป็นชื่อของแผ่นดินนะภูริปัญญาภูรีเป็นชื่อของปฐวีแผ่นดิน ก็คือละเอียดกว้างขวางนั้นจึงเรียกว่าภูรีปฐวีก็เรียกภูรีบุคคลชื่อว่ามีปัญญาดังแผ่นดินประกอบด้วยปัญญาที่กว้างขวางไพบูรณ์เสมอประดุดังแผ่นดินนั้นภูรีนี่จึงจึ ง, จ ง, จงชื่อของปัญญาปัญญาเหมือนแผ่นดินยินดีในอัตที่เป็นจริงก็ชื่อว่าปัญญาปัญญานี่เป็นเครื่องทําลายกิเลสใช่ไหมเบียดเบีย น, ยนกิเลสเหมือนอะไรเหมือนสายฟ้าผ่าภูเขาหินปัญญาเครื่องทําลายกิเลสเพราะว่า เรียนและทรงจำได้เร็วพันคนมีบปัญญาเรียนได้เร็วไหมทำความทรงจำได้รวดเร็วด้วยเป็นเครื่องนำทางเป็นเป็นปรินายิกาด้วยเนะี่ยเพราะเกิดแก่สัตว์ใดนำสัตว์นั้นไปในการปฏิบัติในประโยชน์เกือ้อกูลไหมนั่นแหละเขาเรียกนำทางได้ปรมาประโ์ได้และในการแทงตลอดลักษณะตามความเป็นจริงของสัมยุต ธ, ธรรม ก็เป็นความเห็นแจ้งโดวยวาสา ม, มารถของการที่จะไปค้นคนวา้านิจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเหล่านี้ได้ปัญญาดุดประตักด้วยเป็นเหมือนกับประตักเพราะอะไรอ่ะทำไมจึงเรียกประตักปัญญาทำไมจึงเรียกประตักเพราะประตักเอาไว้แทงไหยเอาไว้แทงอันนี้ก็เหมือนกันเอาไว้แทงจิตที่โกงเอาไว้แทงจิตที่คดภาวะที่จิตคตดด้วยทีนามิทาคดแล้ว เอาไว้ปัญญาแทางก็ว่าแทงก็ว่าใช่ไหมเหมือนปัสสาวโคเหมือนเหมือนเสี้ยวพระจันทร์งอไปดูดหางไถปัญญาก็าไว้แทงเพราะว่าจิตมันคดวิ่งทผิดทางไหมมันผิดทางนู่นอัตตากีรยาถานุโยกบ้างกามาสุขาลิกานุโยกอย่างเราแทบไม่ต้องกลัวอัตต์ได้มาเป็นกาลมาสุขาลิกานุโย ก, กติดกาลมาคุณ เหมือนปะตักไว้แทงม้าสินทบที่วิ่งไปผิดทางอะเพื่อให้ถูกทางนั้นปัญญาจึงประดุดดังปะตักเอาไว้แทงนะเวลามันจะวิ่งผิดทางปุ๊บเนี่ยปัญญาก็เข้าไปแทงใช่ไหมเหมือนม้าเนี่ยวิ่งผิดทางเนี่ยก็ต้องคอยแทงให้ให้มา้านั้นไม่พยศไม่โกงเหมือนนี้ปัญญาจึงเชื่อว่าเหมือนปะตักประคองความเป็นใหญ่ในลักษณะการเห็น ก็เป็นอินทรีย์ที่กล่าวไว้แล้วเป็นอินทรีย์ปัญญาเนี่ยปัญญิ์สียเป็นใหญ่เป็นปัญญาพราพ่อไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเอวิชาเกิดขึ้นหวั่นไหวไหมไม่หวั่นไหวถ้าปัญญาพราเกิดเนี่ยอย่างเราหวั่นไหวเนี่ยนรืเป็นดังศาสตราก็ได้แต่ศาสตราเนี่ยคมไหมนะี่ไว้ตัดกิเลสปัญญาประโ ด, ด, ดังศาสตราเนี่ยเหมือนปราศาสตรเพราะปัญญาพราจว่าสูงยิ่ง สูงความสว่างคือปัญญาคือสว่างทั่วสว่างคือปัญญาเนี่ยนะสว่างคือปัญญาเพราะอธิวัสซองแสงสว่างปัญญาเพียงดังประฏิบชดช่วงที่อุปมายนี่ น, นะตรงนี้คือต้องการจะมาไล่เรียงให้ดูเพื่อเพื่อให้ดูที่เราเก่าแบบสรุปมาแล้วพอมาขยายดูอะลักษณะของปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นประฏิบปัญญา นั่งแล้วในบอลลังเดียวหมื่นโลกาธาตุก็ส่องแสงสว่างเป็นอันเดียวกันเน่ยก็มีโอภาสเป็นอันเดียวกันมีแสงชดช่วงเป็นอันเดียวกันด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงดำหลัดบอกว่าแม้บทเดียวก็เข้าใจเนื้อความนั้นได้พระผู้ให้ภาคเจ้าแสดงสูตรเหล่านั้นใดในอังคุตรนิกายในจตุการนิบาตต่างๆเนี่ยอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นบอกภิกษุทั้งหลายแสงสว่างเหล่านี้สี่อย่างสี่อย่างเป็นชไหนะ แสงสว่างแห่งดวงจันทร์แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์แสงสว่างแห่งไฟแสงสว่างแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายในแสงสว่างสีประการเหล่านั้นแลภิกษุทั้งหลายบรรดาแสงสว่างสี่อย่างเหล่านี้ยแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศโดยก่อนภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันโอภาสมีอยู่สีอย่างเป็นต้นก็คือเนรภิกษุทั้งหลายความโชดช่วงมีสีอย่างแม้ในนิเทศที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ในระสูวดเหล่านั้นก็เหมือนกันก็จำแนก โดยความอาการที่ไม่ใช่น้อยจึงเป็นการจําแนกดีแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพวกหนึ่งย่อมรู้ได้โดยประการอย่างหนึ่งพวกหนึ่งก็รู้ได้โดยประการอย่างหนึ่งฉะนั้นว่าพระลมมารศาสะดาเนี่ยจําแนกปัญญาเยอะไปหมดเนี่ยเพื่อเป็นไปตามอัตยาสัยของสัตว์ใช่ไหมเหมือนปัญญาดังดวงแก้วพ่ออัจจะว่าทำความยินดีพร่อจะว่าให้ความยินดีให้เกิดความยินดีเพ่อปลื้มใจเพอ่อจะว่าปรากฏได้ยากดวงแก้วปรากฏหรือดุจ ด, ดังปราตราช่างเนี่ย พาอจะว่าเป็นเครื่องช่างให้สัตว์น่ผู้ไม่ตำซ้ำอย่างเป็นตาช่างปัญญาเหมือนดวงแก้วปัญญารัตนาังที่ชื่อว่าความไม่หลงอ่โมโหเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไม่ลุ่มหลงไม่มืดบอดปัญญาย่อมไม่หลงในอารมณ์ไม่หลงในอารมณ์ก็คือสิ่งนั้นเป็นเพียงไม่หลงไหลไปเท่านั้นไม่หลงในอารมณ์ทั้งพี่เป็นสภาวะไม่หลงอารมที่เป็นปรมัตเป็นต้น ส่วนวิจัยนะก็คือได้กล่าวมาแล้วโมหะอะโมหะนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะท่านก็กล่าวโอ้วยวิจัยแล้วอะโมหะเนี่ยมาวิจัยบเบ็ดเสร็จแล้วก็ทําปัญญาต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเพื่อต้องการสรุปในเรื่องของปัญญาดังกล่าวเนี่ยมาก็เลยไปเร็วๆเลยเนี้ยมาสรุปตรงนี้ก็คือว่าผู้ปฏิบัติเวลากําหนดวิปัสสนาปัญญารูปนามเขาก็ กำหนดลักษณะรักษาปัจจุบันประทัดฐานนี่เบื้องต้นเลยอย่างเราต้องกลับมาเริ่มประเด็นตรงนี้คืออันดับแรกก็ต้องจำปัจจุบานและประทัดฐานของนามธรรมาถ้าต้องการอยากจะรู้นะว่าลักษณะรักษาปัจจุบานปรทัฐานของพรรกากาหนดรักษะเป็นต้นของ เออลักษณะรัศดาปิยฐานพิทฐานของเวทนาของอุเบกขาการกําหนดลักษณะเป็นต้นของสภาวธรรมจิตเอภาาัสสะสัญญาเจตนาเอกคันตาชีวิตีมรณการเป็นต้นเลยนี่อันนี้ก็ต้องใข้ควรทีนี้เมื่อในกรณีอย่างนี้นะมีแม้แต่ยุกเนี้ยสมมติว่าเราไปเคยได้ สมาบัติได้ฌานได้อะไรมาแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ลักษณะก็จอดอยู่แค่สมาบัตินั่นแหละนั้นบุคคลเหล่านี้นะแม้ได้มาเบษษ็ดเสร็จเขาก็ต้องให้มาจําพวกนี้ด้วยเพื่อจะได้มาวิกแล้วก็กลับเข้าฌานเบ็ดเสร็จนั้ก็มาวิจัยลักษณะเพื่อให้เห็นเพื่อให้ปัญญาเข้าไปแทงลักษณะสภาวะธรรมเหล่านั้นนั้นคุณจะไปได้สมาบัติได้อะไรมาก็แล้วแต่ที่ส่วนจริงก็มาจบถึต ง, ต, งตึกลักษณะที่เจตุกาต้องรู้แล้ว มันเป็นอย่างนั้นก็ต้องถามว่าอย่างน้อยสุดก็คือต้องเด่นชัดถึงไม่ทรงได้ก็ต้องเข้าใจแต่สรุปก็คือทาจนเจ้าทรงได้แล้วทีนี้กรณีาการกำหนดจิตภาษาเวทนาเป็นต้นตามที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยในการกำหนดสภาวะธรรมเหล่านั้นและในส่วนจริงก็เริ่มไล่ตามวิถีรูปารมจักขุทวารวิถีก็เชื่อมลงสู่มโนทวาร สัทธารมโสตถาวาริถีก็เชื่อมลงสู่มโนถาวรนี่เนคันธารมคานทถาวาริถีก็ลงสู่มโนวาวรมันจะเชื่อมไอ้ตรงนี้ไปอยู่ในไหนไปอยู่ในนี่ท่านกล่าวไว้หน่อยก็สังเกตได้จเนอะอ๋อท่านทำไมกล่าวเชื่อมกันอย่างนี้เรื่อยอ๋อนั่นคือวิธีการให้เราปฏิบัติจนถึงธรรมารลมโนถานรวรริถีลักษณะลักษณ ะ, รษณะ ป, ประโยธธรานประทัฐานก็กํ า, าหนดรู้แวหน้าวิธีต่างๆเหล่านั้นเนี่ย ต่อไปเป็นตัวไหนปัญญาแล้วอ้อนวานนี่พูดสติไปแล้วใช่ไหมตอนนี้จะกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมาร์กกล่าวแบบสรุปดีกว่าเนาะเพราะเวลาจํากัดก็พูดถึงในเรื่องของมนสิการใช่ไหมเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของมนสิการมนสิการะ เขาบอกสติกรบมนสัมนสิการมีผลคือสภาพธรรมที่มุ่งตรงต่ออารมณ์เหมือนกันท่านกล่าวถึงอย่างนั้นแต่ถ้าถามพูดถึงในเรื่องของตัวมนสิการเนี่ยเจตสิกเนี่ยท่านกล่าวไว้ค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะลองดูตัวมนสิกานี่เนี่ยตัวมนสิการเนี่คืออย่างนี้กล่าวตัวมนสิการมีทั้งวิถิปฏิการปฏิปารกรรมมนัสิการเป็นต้นเหล้ แต่ดูรายละเอียดนิดนึงนะแต่จริงๆถ้าถ้าเวลาเรามีเยอะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนี่ยก็อย่งนการที่จะไปเข้าไปรู้รู้สภาวธรรมอพรก็ตัวมนสิกาละเนี่ยนะก็คือลัคณาที่เจตุ ก, กาของเขาคือว่าสารณาลัคนมีการชักนำสัมยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์อยู่เสมอเป็นลักษณะใช่ไหมตัวมนสิการก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ เขอยู่ในกลุ่มของสัพพ ا ิตานะอยู่ในกลุ่มของสัพพจิตาสาธารณเจรสิกฉะนั้นเวลาไปไข่ควรตัวมณสิการะเนี่ยมีการกล่าวไว้ก็คือว่าตัทธารมนาปฏิปัฏฐกะมณสมณสมิงการโรติมณสิการูเนเป็นต้นมณสิการะเนี่ยนะก็คือว่า อารมณปฏิปาถกามานัสกา ร, การอันสามารถให้อารมณ์ปรากฏเชื่อามานัสการเพราะทําอารมณ์ไว้ในใจคือสามารถให้อารมณ์ปรากฏได้ในใจเนี่ยได้ลักษณะเป็นต้นของมานัสการก็มีดังนี้ใช่ไหมท่านคําว่ามานัสการเนี่ยถ้าอธิบายให้ชัดตรงนี้ก็คือว่าเป็นอารมณปฏิปาถกามานัสการคือมานัสการมีสามอย่างใช่ไหม อารามนาปฏิปปาทการมนาสิกานั้นเป็นสภาพธรรมที่ทำให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นในใจเป็นอารามนาปฏิปาทการมนาสิกานถ้าสภาพธรรมที่ทำให้วิถีจิตเกิดขึ้นอันนั้นชื่อว่าวิถีปฏิปาทการมนาสิกานถ้าสภาพธรรมที่ทำให้ชาวนะจิตเกิดขึ้นอันนั้นชื่อว่าชาวนะปฏิปาทกรารมนาสิกานแยกให้ออกก่อนแต่ตอนนี้เราเรียนมนสิกานเจตสิก ที่ความแตกต่างกันสติที่กล่าวเมื่อวานนี้นะก็บอกว่าอารัมณาปฏิปาทกามนัิการอันสามารถให้อารมณ์ปรากฏหรือถ้าพูดตามหลักโดยทั่วไปเขาเรียกว่ามีการชักนาใหสัมบยุท ธ, ธรรมเข้าสู่อารมณ์อยู่เสมอเป็นลักษณะแล้วก็ทำให้สัมบยุท ธ, ธรรมประกอบในอารมณ์เป็นกิจแล้วก็อาการปรากฏก้ย หันหน้าสู่ตรงอารมณ์อยู่เสมอเป็นอาการปรากฏประทัดฐานก็คือมีอารมณ์นั่แหละเป็นเหตุใกล้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะแต่ตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนถ้าดูตรงนั้นอาจจะไม่ชัดลักษณะสภาพธรรมที่มุ่งท ร, ร ม, มุ่งนำธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ตรงต่ออารมณ์สภาพของของเขาเนี่ยมณนสิการเจตสิกนะสภาพธรรมคือ สภาพธรรมที่มุ่งนำมุ่งนำอะไรสัมปยุทธธรรมก็ได้หรือมุ่งนำธรรมที่เกิดพร้อมกันบตนก็ได้ให้ตรงต่ออารมณ์คือมุ่งหน้าตรงต่อรมเลยมนสิย์การจะเป็นแบบนี้กิจของมนสิยการก็คือการเชื่อมธรรมที่เกิดพร้อมกับกตนกับอารมณ์มีการเชื่อมธรรมะเชื่อมอะไรเชื่อมธรรมะเชื่อมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ใช่ไหมตัวามานาุษย์สกสารเป็นสังการลักฐานก็าทำกิจในการเชื่อมเชื่อมนามธรรมาเหล่านั้นกับอารมณ์ให้เข้าด้วยกันนี่เขากิจของเขาก็คือนำทำที่เกิดพร้อมกับตนให้ตรงต่ออารมณ์ด้วยถ้ า, ถ า, ถาลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นถ้ากิจก็เชื่อมปัจจุประานะก็คือผลปรากฏผลก็คืออะไรสภาพที่มุ่งตรงต่ออารมณ์มุ่งเลย ฉะนั้นส่วนประทัดฐานก็คืออารมณ์นั่นแหละที่เป็นเหตุใการณ์มนัติการเจสิ ก, กนี้จัดเข้าในสังขารละขันเป็นธรรมที่นำธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตัวเนมุ่งตรงต่ออารมณ์เหมือนอะไรเหมือนกับนายสารถีขับม้าอาชาในมุ่งตรงไปสู่สู่ที่ที่ตนมุ่งหมายนายสารถีขับใช่ไหมยอมบวรวาฒน์ขับม้าชาในใช่ไหมขับอะไรแล้วก็มีคนที่อยู่ในเกวียนไหมและตรงต่อสถานที่ที่กำหนด มนัตสิกานเหมือนอย่างนั้นนี่ก็เลยมาแยกเลยฉะนั้นที่เราศึกษากันนั้นศึกษาในเรื่องของอารมณะปฏิปาทกามมนาตสิกานเป็นเจตสิกที่จัดเข้าในสังขารขันส่วนวิถีปฏิปาทกามมนาตสิกานเนี่ยเป็นชื่อของปัญจทวารวชนะจิตนั้นปัญจทวารวชนะจิตนั้นน่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทาให้วิถีจิตเกิดขึ้นทาให้จกักขวิญ ญ, ญาณเกิดสัมปติชนะสันติรณะ โวทนะปนาชาวนาะเป็นต้นจัดเข้าในวิญญาณขันธ์วิถีปฏิปาทกรรมมนุษการเป็นวิญญาณขันธ์ส่วนชาวนาะปฏิปาทกรรมมนุษการนั้นคือมโนทวารวัชนะจิตมโนทวารวัชนะจิตนั้นทํำให้ชาวนะจิตเกิดขึ้นต่อจากตนจัดเข้าในวิญญาณขันธ์เท่านั้นทีนี้ในบรรดามนาุิยการทั้งสาอย่างนั้นมนุิยการสองอย่าง คือวิธีปฏิปาทกรรมนัสสิการและชาวนะปฏิปาทกรรมนัสสิกาในคำพีต่างๆเรียกว่าโยนิโสมนัสิการเรียกว่าอโยนิโสมนัสิการทุกคำพีกล่าวไงกล่าวต่างๆกันถ้าหากใครควรเป็นปัจจัยแก่กุศลเป็นโยนิโสถ้าเขาเป็นปัจจัยแก่อกุศลเป็นอโยนิโสมนัสิการมนามชาวนะ เท่านั้นชื่อว่าโยนิโสมนสิกานอายนิโสมนสิกา ร, โ, โ, การโดยตรงส่วนชาวอาวัชนะท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการอายโนิโสมนสิกา ร, โ, โ, การโดยโอ้อมเพราะจริงๆก็คือว่าเพราะมันเหมือนกันกบชวนาะอาวัชนะได้ชื่อมนสิการเพราะอะไรว่าชื่อว่ามนสิการเพราะสามารถ กาะทำลำดับวิถีจิตชาวนะอันแตกต่างจากลำดับผวังขจิตที่เกิดขึ้นก่อนตนลักษณะเป็นต้นที่กล่าวอย่างเนี้ยไม่ใช่ลักษณะเป็นต้นของมณสิการทั้งสองประการนี้แต่เป็นลักษณะของอารามณปฏิกาทกามมณสิกานนี้มากล่าวเพื่อให้เราเข้าใจตรงนี้ตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้จริงๆก็คือว่ากรณีที่เรียกว่าโยนิโสอโยนิโสนี่ เป็นชื่อของปัญจทวาราวัชนะและมโนทวาราวัชนะใช่ไหมนี่พอจะมาออกอาจจะถามอะไรตรงนี้ยการใส่ใจในอารมณ์การใส่ใจด้วยมนานสิ ก, การแจสิกแล้วอารมณ์จึงปรากฏเกิดขึ้นปัญจทวาราวัชนะจิตนักธทําลําดับวิถีจิตอันต่างจากผวังขจิตแล้วปัญจทวาราวัชนาจิตก็เกิดขึ้น อันนี้มโนทวารลวชนะจิตก็กระทำลำดับของวิธีจิตอันต่างจากผวังกจิตแล้วมโนทวารละวชนะจิตก็จึงเกิดขึ้นวิตกสามารถยกธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนสู่อารมณ์เจตนากระตุ้นเตือนธรรมที่เกิดพร้อมกับกระตนสู่อารมณ์เพื่อทําหน้าที่ของตนมานสิการสามารถนําสู่อารมณ์ทั้ง3อย่างนี้แตกต่างกันอย่างนี้ มนาสิกานน่สามารถนำสู่อารมณ์ทั้งธรรมสามอย่างแตกต่างกันนี้ที่วิตกสามารถยกธรรมที่เกิดพร้อมกับตนสู่อารมณ์ใช่ไเจตนาก็กระตุ้นเตือนธรรมที่เกิดพร้อมกับตนอันวิตกยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วให้ประกอบร่วมกันกับตนดุดแม่ทัพกระตุ้นทหารให้ประกอบร่วมกันกับตนในสนามรบมนสิกานก็สามารถให้ธรรมที่เกิดพร้อมกับตนน่ะ อันวิตกยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วประกอบอยู่กับอารมณ์นั้นดุจนายสารถีประกอบมาอาชานายไว้ไว้กับอะไรไว้กับรถทำอย่างสามอย่างในวิตกเจตนามนัสิการก็ต่างกันอย่างนี้งงเลยพูดแล้วอาว่างานโอเคอะไรทีนี้ต่างจากสติยังไงมนัสิการสติกับมนัสิการมีผล สภาพธรรมที่มุ่งหน้าตรงต่ออารมณ์เหมือนกันต่างกันก็คือมนุิการมีลักษณะนำธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนมุ่งส่วอารมณ์เพราะเป็นเหมือนอะไรให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้น่ะมุ่งส่วอารมณ์ด้วยสติมีลักษณะมุ่งหน้าตรงต่ออารมณ์โดยไม่ทาอารมณ์นั้นให้หายไปใช่ไหมคือมุ่งตรงต่ออารมณ์เหมือนกัน แต่สตินั้นนอกจากมุ่งตรงต่ออารมณ์แล้วให้อารมณ์นั้นปรากฏอยู่ด้วยไม่ให้อารมณ์นั้นหายไปด้วยต่างกันจากมนานสิการมนานสิการนะมุ่งนําสัมยุทธธรรมมุ่งตรงต่อสืว อ, อารมณ์ไม่ขับเน้นเรื่องการรักษาอารมณ์นั่นคือความต่างกันของมนานสิการกับสติแต่ว่าพูดไปพูดมาเหมือนจะคล้ายกันเนี่ยเหมือนประกอบมือนมุ่งตรงต่ออารมณ์ประกอบตนไว้กับอารมณ์เนี่ยกับการมุ่งรักษาอารมณ์เนี่ย อันนี้มันต่างกันอย่างเงี้ยนิดเดียวแค่ น, นี้ก็คือมุ่งรักษากับมุ่งประกอบไว้กับอารมณ์เงี้ยมุ่งทำรรที่เกิดเนยะมุ่งตรงต่ออารมณ์โดยประกอบทำที่เกิดพร้อมกันกับตนไว้กับอารมณ์กับสติมีการมุ่งตรงต่ออารมณ์โดยทําให้อารมณนะ์นั้นไม่ทําให้อารมณ์นั้นหายไปใช่ไหมก็ไปดูที่ว่าต่างกันไหมนั่นแหละนี่คือความต่างกันของมนสิยการกับสติอย่างเงี้ยเนะีย เลยเลยไม่เป็นไปตามลำดับเลยออกมาเลยต้องตามพวกเราอยู่เลยเนี่ยเนี่ยแสดง ต, อต่อไปยอะไรนะเอกคตาอ๋อเอกคตาเอกคตานี่ยนะมาจากคาว่าอรมาเนจิตตังสมาสมังอาทิยติสัมมาวาอาทิยติสมาอาทานมัตตเมวะสภาพธรรมที่ตั้งจิตไว้ สม่ำเสมอในอารมณ์เดียวในะชื่อว่าเอกะกะตาคือสมาธินั่นเองถ้าอีกในหนึ่งก็คือสภาพธรรมที่สามารถตั้งจิตไว้ด้วยดีในอารมณ์ก็ชื่อว่าสมาธิอีกในหนึ่งก็คือว่าการตั้งจิตไว้สม่ำเสมอในอารมณ์ในชื่อว่าสมาธิตรงนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของตัวสมาธิเนี่ยนะได้ดูลักษณะจิตที่เจตุ ก, กะหลายๆที่หน่อยนะ ทำให้เรามองเห็นนอกจากว่าสภาวธรรมต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยว่าอาวิเปาาคปนาลักณามีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะใช่ไหมลักษณะของเขาก็จะเป็นไปในลักษณะนี้แต่เมื่อกี้ขับเน้นถึงว่าสภาพธรรมที่ตั้งจิตไว้สม่ําเสมอในอารมณ์ทําจิตให้สม่ําเสมอด้วยนะตั้งมั่นนั่นเอง แต่ในที่นี้ก็คือมีความไม่ฟุ้งส่านมีความไม่ฟุ้งส่านเป็นลักษณะส่วนสาชาตานางสัมปินดระราสาสำปินดระสมปินนะเป็นสมปินดะนรสาก็มีการรวบรวมสาชายธ ร, รํมเป็นกิจอุปปสะมะก็คือปัจจุปฐานามีการเข้าไปสงบไม่ใช่สงบแบบหลับเนะียใช่ไหม มีความสุขก็เป็นเหตุการ์มีกับวิเคราะห์วิเคราะห์คําว่าที่จิตที่ชื่อว่าเอกเอกักเอกกักคะเพราะอาจจว่าถึงอารมณ์อย่างเดียวโดยไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆตั้งมั่นในอารมณ์อย่างเดียวถึงอารมณ์อย่างเดียวโดยไม่ฟุ้งซ่านแปลอารมณ์ต่างๆฉนั้นคําว่าเอกกักคะนี่ชื่อว่าเอกกัตาก็จะแก่สมาธิ ในโมหะวิเฉทนีกล่าวว่าจิตที่ชื่อว่าเอ ก, กข้เพราะอัธิวามีอารมณ์เป็นหนึ่งความเป็นเอ ก, กข้ชื่อว่าเอ ก, กขัตตาเนี่ยเอ ก, กขัตตาคือจิตจิตเตกคัตตาก็เรียกว่าในธรรมสังคณีแสดงเป็นสมาธิสมา ธ, สมาธิก็มีสองคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิท่านแสดงไว้แค่นี้แต่ในที่นี้ขับเน้นเรื่องกุศลก่อน ก็คือสภาพธรรมที่ตั้งจิตไว้สม่ำเสมอในอารมณ์ก็คือเอกคตาเนี่ยสมาธิอีกหนึ่งก็คือสภาพธรรมที่สามารถตั้งจิตไว้ด้วยดีในอารมณ์หรือสมาธิอีกในหนึ่งก็คือตั้งจิตไว้สม่ำเสมอในอารมณ์ก็เรียกว่าสมาธิลักษณะของเขาก็คือความเป็นใหญ่ความใหญ่แห่งธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนในอารมณ์ด้วยใช่ไหมนั่นลักษณะแรกนะลักษณะที่สอง ความไม่สซ่านไปในอารมณ์คือการตั้งมั่นในอารมณ์นี่เป็นลักษณะที่สองก็คือไม่ซ่านไปในอารมณ์ตั้งมั่นในอารมณ์ถ้าจะตั้งมั่นในอารมณ์ใดก็ตั้งมั่นเลยไม่ซ่านไปนไม่ซ่าน ไ, ไปลักษณะที่สามความไม่ฟุ้งซ่านแห่งธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบตนในอารมณ์ไม่ใช่ไม่สซ่านไปอย่างเดียวแล้วไม่ฟุ้งซ่านด้วย คำว่าสั้นไปเนี่ยบางทีเป็นกุศลก็ได้นะหรือบางทีเป็นที่ไม่ฟุ้งก็ได้ก็คือสั้นไปนู้นสั้นไปนี่ไหมเพื่อจะไปวิจัยนั้นแต่ถ้าสมาธิไม่สั้นไปแล้วกํากับไว้อีกลักษณะที่สามเลยว่าต้องไม่ฟุ้งสั้นด้วยไม่มีอุทจัก ท, ที่ไปแข็งแรงความไม่ฟุ้งสัน้นเ่งทำที่เกิดพร้อมกันกับตนในลมเป็นต้นด้วยกิจรัสสาก็คือการรวบรวมธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนน่ะ รวบรวมทำรรที่เกิดพร้อมกันกับตนเหมือนอะไรเหมือนสบู่รวบรวมน้ําเอาไว้เอสบู่รวบรวมน้ํายังไงอธิบายหน่อยที <S 2> <S 2> นี่ก็นักวิทยาศรราสตร์ก็เข้าใจนะว่ามายังไงเป็นยังไงล้อมยังไง <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> เวลาเวลาเราถูสบู่ไปตามตัวใช่ไหมแล้วเวลาน้ําลดเข้าไปใช่ไหม นั่นแหละคือลักษณะที่เหมือนกับสบูร่รวมน้ำเอาไว้นะรวมน้ำเอาไว้นะรวมน้าเอาไว้ส่วนอุปัฏฐานะการะนี่นะอุปัฏฐานะปัจุปฐานาอาการที่ปรากฏในปัญญาของโยคีหรือของบัณฑิตของผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยอาการเป็นยังไงคือสภาพที่สงบนิ่งสภาพที่สงบนิ่งส่วนผล ปัจจุปถานะก็คือสภาพที่สามารถได้ผลก็คือยานเกิดขึ้นยานเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นการวิจัยทำเป็นต้นเกิดขึ้นการค้นคิดต่างๆเกิดขึ้นเลยอันนั้นเขาเขาเป็นเหตุของปัญญาเป็นเหตุของปัญญาแน่ผลเป็นอย่างนั้นประทัดฐานโดยมากก็เป็นสุขนี่เป็นอย่างนี้ได้มากที่กล่าวไว้ก็มีสุข คือในรายละเอียดน่สุขขาประทัดานามีความสุขเป็นเหตุใกล้ก็หมายความว่าเอกกับตาปรากฏขึ้นได้ต้องอาศัยสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้นี่ก่าสรุปสรุปนี้พอจะชัดเจนแล้วมั้ยใช่ไสรุปแล้วก็อินรี่ห้าสธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเรียงกันไปเรียงกันมาเกือบไม่จบเลยใช่ก็อัดไปได้นี่ถ้าจะให้ชัดก็ตัวนี้ช อันนี้ก็สมควรแก่วเวลานะสี่โมงแล้วถ้าสามารถนะดับเอาวิชาได้ในปัจจุบันนพบนะได้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้สั่งสมก็ขอให้สามารถดับให้ได้เพราะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ากิจที่สำคัญที่สุดในกระแสของชีวิตเนี่ยก็คือการกระชากสักยทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ฝังแน่นในกมลสันดาเนี่ย เขาเรียกว่าตอนนี้เราถูกอุปป น, นอาอกุศลและอนุปป น, นอาอกุศลล้อมหน้าล้อมหลังก็คือราคาโทสาโมหามานะทิฏฐิวิจิกิจชายิานิกาโนตปาอุทจักโดยเฉพาะก็คือกรรมทุกในวัตทุกข์ในอดีตเป็นมูลเนี่ยนี่ในวัตทุกข์ในอดีตเป็นมูลที่ผ่านมานั้นมันไม่ได้ดับไปเฉยเฉยเริ่มตั้งแต่อนันตเรียกรรมก็ทํา จากกรรมเล็กๆ น, น้อยๆจนถึงอนันตเรกกรรมอนันตรกกรรมนั้นให้ผลในลำดับแห่งตนเรียบร้อยแล้วในชาวนะดวงสุดท้ายแต่ในชาวนะดวงที่2ถึงดวงที่6ของอนันตรกกรรมเหล่านั้นยังไม่ได้ผลิตวิบากและเคยผิตวิบากมากอย่างยาวไกลไอที่เหลือเหลือจากคนานนับแปลว่าเราท่านทั้งหลายถูกไฟคืออุปนาอากุกสนเนี่ยวิ่งเผารนกระแสะชีวิต ใกล้ชิดเป็นทุกขตินิมิตทุกทวารเลยทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมาพูดตรงๆเนอะเมื่อคือนเนี่ยขนาดนอนกำหนดขนาดนี้ยังฝันในสิ่งที่ไม่ดีได้มันมาอย่างนั้นเลยนี่เนี่ยนะพราะเผลอสติบสเสร็จเนี่ยสะดุง้งลุกพรวดออกมาเลยนะเอย๊ฝันชั่วได้นี่ไงเอาขนาดว่า เพียรพยายามที่จะละมันขนาดเนี้ยมันไม่มาตอนมีสติสัปพัญ ญ, ญามันมาตอนมีความฝันตอนเผลอเลยสติอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยอัธยาสัยของความชั่วร้ายเยอะมากอันนี้เอาเรื่องที่เกิดเฉพาะหน้าเห็นเห็นเลยเอาเมื่อคืนเนี้ยยังฝันไม่ดีทําบาปให้เกิดขึ้นในความฝันเต่นี้อย่างนี้นะความฝันถึงแม้ว่าจะให้ผลในปฏิสนธิการไม่ได้แต่ก็ให้ผลในประวัติการเนี่ยเพราะตามที่ เป็นความชั่วทั้งหลายให้ผลได้ทั้งนั้นแล้วไม่ใช่ไปให้ผลยมวุรพาธนี่มันให้ผลอามานะความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกระแสขันอามาเนี่ยมันตามติดได้เพราะอามายังไม่สามารถถอนสักกยะทิฐิที่ฝังแน่นในกโมลขันหรือในกโมลสันดานอามาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องถอดรหัสออกให้ได้ถ้าถอดไม่ได้มันตามติดตามจิกแน่นอนอบัยภูมิก็เปิดอาอยู่ทุกประตูแล้วจะทํำยังไง นั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คืออนุปปณะอกุศลที่มันล้อมรออยู่ข้างหน้าวินาทีข้างหน้าที่เราจะก้าวขึ้นรถแล้วก็จะต้องขับรถไปเนี่ยจนถึงว่าในภพหนึ่งหนึ่งเป็นอนันต์นับไม่ได้ทุจริตสากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ท, ท, ที่จนมาจากอาบาอากุศลธรรมะลา ม, ามกที่มันจะฝังแน่นในกมลสันดานของเราท่านทั้งหลายเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไฟที่ล้อมหน้าล้อมหลังกันอยู่อย่างนี้ในพบต่างๆที่เราจะต้องไปเผชิญเผชิญ น, นี่แหละทั้งหลายก็เดินสิกขาสามอย่าตกจากสิกขาสามของพระผู้มีพระภาคการที่เราจะพ้นจากอุปนณอากุกสนอนุปนณาอากุกสน์เนี่ยเราได้มาพบเจอศาสนาของพระผู้ธมีพระภาคอันประเสริฐแล้วหาไม่ได้อีกแล้วนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือว่า การที่เราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีรขสามกาวคือสี่สมาธิปัญญาตรงนี้นี่แหละที่จะสามารถทำให้เราขึ้นไปนั่งอยู่ในใช่ไหมสมาเพาทองลำนี้แล้วจะพาดงฝ่าดงของโลกิยะมหาสมุทรเพื่อจะไปสื่อจุดหมายปลายทางเรือของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันเข้าท่าไม่ถูกมานานแล้วมันจอดไม่ได้ซะที ผ่านพุทธเจ้าองค์แล้วองค์เล่าองค์แล้วองค์เล่าไม่ได้จอดท่าสักทีเลยมันเข้าไม่ถึงฝั่งมันก็ลอยพร่องอยู่ในกลางมหาสมุทรนี่แหละมันน่าเจ็บปวดแท้ๆชีวิตเนี่ยเขาเรียกมันจอดท่ามันเข้าท่าไม่ได้บางทีพอไปเบสเสร็จอ้าวมืดซะแล้วหาท่าไม่เจอไฟมันมืดเป็นเวลากลางคืนก็ลอยล่องต่อไป รอยล่องต่อไปก็เป็นอย่างเงี้ยพอจะทำทีทําท่าไปถึงท่าก็มืดอยู่แล้วอยู่ยางเงี้ยแล้วแล้วเราเราแล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าจอดท่าไดสักทีก็แสดงให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เรานั่งนะ่ะมันไม่ใช่สําเพาทองที่มันจะสามารถแทรกเข้าท่าได้ถึงฟังเข้าถึงความปลอดภัยเป็นต้นได้ใช่ไหมงั้นก็มาพิจารณาอย่างนี้ ทีนี้เรามาเจอศาสนาของพระบรมศาสดาที่ประเสริฐแล้วก็นั่งในสำเผาท้องอย่าให้ตกลงไปอีกตกลงไปเป็นยังไงสัตว์ร้ายผีเสื้อสมุดปลาล้ายภัยต่างๆน่ากลัวมากอะไรเสียและเราจะได้ปลอดภยัยชีวิตจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนทุกวันนี้ และจะได้ไม่ต้องมาประชุมขันเหล่านี้อีกใช่ไหมจะปวดการประชุมขันเนี่ยตอนนี้ข้อมูลก็พอสมควรแล้วนะก็ขอให้ปัจจัยแห่งการที่มีข้อมูลกันเนี่ยเร่งเดินทางแล้วก็อย่าประมาท